ต่อไปข้อสี่อากริญญญาธนะเป็นปัจจัยแก่อากิ ญ, ญานาธยตนวิบากหรือกิริยาแล้วก็ข้อห้าด้วยอากริญ ญ, ญญาธนากุศลเป็นปัจจัยแก่เนวัตัญญาณธัญญาธยนานวิบากหรือกิริยาอสองข้อนี้พูดไปด้วยกันได้คือในอรูปฌานเนี่ยอรูปฌานที่หนึ่งเมื่อบุคคลได้แล้วจะทําอรูปฌานที่สองให้เกิดก็จะต้องหน่วงเอา อากาสานัญจายตานะคือรูปประจานที่หนึ่งเป็นอารมณ์แล้วก็ทำอารูปประฌานที่สองให้เกิดเนื้อรูปประฌานที่สองในเวลาเขาส่งผลเขาส่งผลอารมณ์ไปด้วยครับทําให้เกิดอาวิญญาณจายตานะวิบากจิตพร้อมทั้งอารมณ์คืออารูปประฌานที่หนึ่งติดไปด้วยเพราะฉนั้นอารูปประฌานที่หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของวิบากจิต คือจิตหลับเนี่ยของพวกลมเนี่ยก็เวลาพระพรหมหลับตั้งแต่พระพรหมเกิดในในวิญญาณงนานใจตนาภูมนะในขณะหลับเนี่ยเขาจะมีอารมูปฌานที่หนึ่งที่เขาใช้เป็นอารมณ์เพ่งเหมือนเป็นกระสินะครับติดอยู่ในความรู้สึกของของของท่านด้วยนะฮะนั้นเวลาที่เราหลับเนี่ยเราก็มีอารมณ์ติดอยู่ในวัญญาแล้วเวลาพระพุทธเจ้าทรงเพ่งบารมีท่างทัานถึงพูดเป็นคำนองเปรียบเทียบว่า พระผู้มีพระจะมองลึกขึ้ไปถึงอุปนิสัยท่นานใดของบุคคลนั้นว่าสนาบารมีแล้วก็คนที่มีอุปนิสัยบรรลูนเนี่ยจะมีค่าอยู่ในหัวใจจะเห็นบารมีของบุคคลนั้นลุกโผล่อยู่ในห้วงหัไทเหมือนกับดวงประทีพที่ลุกโผล่อยู่ในหม้อฉะนั้นมี่เป็นของเนื้อแท้ที่มันกรรมบุญบารมีเราสร้างสมมาติดอยู่ในใจของเราพวกอุกลปโภพมนี่ก็ เขาก็มีบุญชั้นสูงแล้วก็มีสิ่งฝังอยู่ในใจของเขาเป็นของชั้นสูงอยู่ในใจก็เลยเห็นข้อต่างว่าของเราเนี่ยอารมณ์ในใจเราเนี่ยมันหลากหลายแตกต่างกันมันสงก็เป็นการมาวจอนนะคนทําทานคนอาจจะมีลูกพระติดอยู่ในหัวใจคนทําอย่างอื่นก็อาจจะมีอย่างอื่นติดอยู่ในหัวใจแล้วก็ในยุคใหม่ทําไมอาจจะมีคอมพิวเตอร์ติดอยู่ในหัวใจเป็นอารมณ์นะ อยู่ในหัวใจมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมีใบไม้ติดอยู่ในหัวใจบางคนอาจจะมีใบแบงแบงพันเปึกหนึ่งติดอยู่ในหัวใจก็ได้บางคนอาจจะมีพระพุทธรูปติดอยู่ในหัวใจนั่นกามาวจรนนี่สับสนและหลากหลายแต่ถ้าคนทํำอรูปฌานนี่จะมีอย่างเดียวคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอันใดอันหนึ่งเหมือนกันอยู่ในหัวใจความเสมอภาค ในทางบารมีในหัวใจจึงไม่แตกต่างเหมือนอย่างปุตุชนแล้ปุตุชนที่เป็นกมาลจรแล้วบางคนอาจจะมีนามรูปติดอยู่ในหัวใจทีือพวกบารมีทางวิปัสสนานามรูปติดอยู่ในหัวใจนามรูปเก่านะบารมีวิบากส่งผลฝังใจมาถ้ากดถูกก่ อ, อกมาเป็นสิ่งที่ปรากฏบนจอกายวาจา ่าที่เราทําวิปัสนากรรมฐานในตอนใหม่ชาติใหม่คราวนี้มาดูข้อหกข้อหกขันทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยะเจโตปริยาแปลว่าเราลึกถึงรู้ใจคนอื่นบุูเพนนวาสาร ะ, ะลึกถึงชาติก่อนนี่เราลึกถึงชาติก่อนแล้วก็มีภาพมีอะไรอะไรปรากฏแล้วก็มีจิตด้วยครับจิตของเราของคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราในชาติก่อนและ ยะถากรรมูปะคะคือความที่สัตว์เป็นไปตามกรรม่าสัตว์นั้นตายแล้วได้ทำกรรมอะไรจึงได้ตายแล้วไปปฏิสนธิใหม่ในชาติใหม่อย่างไรอนาคตตังสยานคือเหตุการณ์ในอนาคตลงข้ามกับบุเพนิวาสานุสติทั้งหมดเหล่านี้บุคคลเมื่อจะเข้าอารมณ์อภิญยาพวกนี้ก็จะ ได้อารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์แก่อภิญญาจิตและมโนทวาราชนะก็ะคือกุศลและจิตยีต่บเอ็ดที่ตัวเองเคยที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับที่เป็นของอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ปรากฏแก่กิริยาวิยานี่พูดถึงพระอรหันต์นะจิตนั้นเป็นกิริยาถ้าเป็นปุถิชนจิตก็เป็นกุศลไปแต่อีกขอบเขตการลุกระลึกรู้กุศลนั้นมีไม่เต็มทั้งหมดอ่ะข้อนี้หมายความยังไง คือถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยสามารถจะระลึกถึงอรหัตกุศลก็ได้ของคนอื่นก็ได้ของตัวเองก็ได้ว่าสมมติว่าคนนี้เห็นคนนี้ระลึกว่าไอ้คนนี้บรรลุอรหันต์ตั้งแต่เมื่อไหร่และอรหันต์ของคนคนนี้ที่เกิดขึ้นในอาตมัตขยานอาตมพลยานเนี่ยมีสภาพเป็นชาลาพีอย่างไรหรือไม่กําหนดอารมณ์อะไรมีอินทรีย์อะไรแก่กล้าก็ระลึกย้อนองไปได้หรือว่า ถ้าเป็นชาติก่อนพระหลานองค์หนึ่งมาเกิดในชาตินี้และเป็นโสดาบันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นในแถวโลกนะสมมติว่ามีพรมตนหนึ่งไปเกิดในสุทาวาตเป็นอาณาคามีและต่อมาเป็นพระหลานก็เราลึกถึงชาติก่อนว่าชาติก่อนเนี่ยเราเรากเกิดเป็นโสดาบันจากภพไหนก็รู้ว่าตัวเองเป็นเป็นโสดาบันจากภพมนุษย์ฟังธรรมจากพุทธเจ้ามีนามพระพุทธกัสสป ะ, สะแสดงเรื่องนี้แล้วตัวเองได้บรรลุ อาลัสตมะอาโสดาปฏิมากรกุศลอย่างนี้ทํากุศลธรรมอย่างนี้อย่างนี้ทําวิปทานามาอย่างนี้อ๋อในระลึกอย่างนี้ก็ระลึกถึงของเก่าในคนลชาติกันนั้นเอถ้าระลึกถึงข้ามชาติจะเป็นบุเพนิวาสาหรือระลึกว่าท้าพระอาจานย์โอึงจะพยากรว่าเธอยังไม่อาจทาที่สุดแห่งพบได้ในชาตินี้ชาตินี้เป็นแค่โซดาบันแต่เธอจะได้เป็น ละอรหันท่านบางหลายสูตรทะเลนี่ครับบางคนบอกว่าเป็นอรหันต์ตอนใกล้ตายเป็นอนาคามีตอนใกล้ตายถ้ามัได้เป็นอรหันต์ตอนใกล้ตายก็จะเป็นอรหันต์ตอนหลังเกิดใหม่ๆเกิดปุ๊บก็เรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่กี่ทีเป็นอรหันต์เลยมีบางคนเบบนี้ท่านพยายามจะบอกอานิสงส์ว่าให้ทําเขาไว้ทําเขาไว้ไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ตอนใกล้ตายไม่ได้ตอนใกล้ตายก็ได้เมื่อเกิดใหม่ๆ ก็ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยแล้วแต่วาสนาของคนอันนี้พระบุตรเจ้ทาท่านก็นจะเห็นหรือผู้ที่มีญาณวิเศษแม้ไม่ใช่บุตรเจ้า ก, ก็สามารถจะบอกได้จะเห็นได้แล้วถ้าทัานรู้ว่าคนนี้อีกสามเดือนนั้ท่านจะขีดเส้นไว้ขึ้นบัญชีไว้ในใจแล้วก็รอเวลาสามเดือนแล้วพอสักษาถึงเวลาสามเดือนก็ไปโปรด บางทีก็อมีระบบการช่วยเหลือหลายอย่างที่โปรเทพยาดาอะไรเข้ามาช่วยกันจากประวัติพระน่มีประแปบบต่างกันนะอ่าเราจะพักกันไว้ที่ประเด็นนี้เดี๋ยวมาต่อประเด็นที่เหลือนะครับอเชิญรับทานอาหารว่างก่อนครับพระคุณเจ้าท่านสาธุชนที่เคารพในช่วงนี้ขอให้ได้เปิดเอกสารในหน้าที่ที่สี่นะครับ หน้าที่สีซึ่งเริ่มหัวประเด็นว่าอากุศลธรรมเป็นอารามณปัจจัยอกุศลธรรมเป็นนะครับอารามณะปัจจัยก็คืออกุศลธรรมนั้นเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ให้จิตเหล่าอื่นทั้งที่เป็นอกุศลด้วยกันทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอัปยากตะเกิดขึ้นด้วยการหยุดหน่วงตัวเอง เป็นที่รับรู้อาคุศนเป็นอารมณะปัจจัยนั้นก็แบ่งเป็นสามส่วนเช่นเดียวกันในส่วนที่หนึ่งอาคุศรธรรมเป็นปัจจัยแก่อากุศลคืออาคุศรจิตนึกถึงอาคุศรจิตเกิดขึ้นส่วนที่สองอาคุสรธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศรธรรมคือบุคคลระลึกถึงอาคุศรอยู่ด้วยจิตที่เป็นกุศลและคุอาุศรธรรมเป็นปัจจัยแก่พยากตาธรรมคือ บุคคลละลึกถึงอากูศสรธรรมอยู่ด้วยจิตที่เป็นกลางสำหรับในส่วนที่กล่าวถึงอากูศสรธรรมเป็นปัจจัยแก่อากูโสรธรรมนั้นในนี้ก็ได้กําหนดองธรรมอย่างนัยยะของอัตถกถาหรือคำมพียรวิธรรมมาสาธังค่าว่าได้แก่บุคคลละลึกถึงอากูศลรจิตสิบสองเจตสิกสิบยี่สิบเจ็ดด้วยอากูศลจิตสิบสองและด้วยเจตสิกยี่สิบเจ็ดนี่เป็นการ กำหนดองธรรมซึ่งอกุศลทุกตัวนั้นทั้งจิตทั้งเจสิกสามารถจะระลึกถึงกันและกันในลักษณะไข้กันไปไขว้กันมาได้ตลอดคือความโกรธกับความโลภเป็นอกุศลคนละแบบกันแต่ความโกรธก็นึกถึงความโลภได้ความโลภนึกถึงความโกรธก็ได้ไอตรงนี้เวลาที่เราพูดกับเจ้าบ้านเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะพูดว่า โลภความโลภก็ถูกโกรธความโลภก็ถูกโกรธความโกรธก็ถูกหลงความหลงก็ถูกหลงความโลภก็ถูกโลภความหลงก็ถูกหลงความโกรธหรือโกรธความหลงกิเลสกับกิเลสนั้นกระทำการหน่วงนึกและแสดงความรู้สึกต่อกิเลสตัวอื่นๆหรือแม้แต่ตัวเองได้โดยประการต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั HHH, ้นท่าน อ่าในนี้นะ่ะท่านไม่ได้กล่าวในลักษณะแจกตัวต่อตัวคือหมายความว่าถ้าเราจะศึกษากันโดยพิสดารแล้วก็รวบรวมแบบอครอบทวนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องวิจิตพิสดารแล้วก็เข้าตัวมากที่สุดเอผมหมายความว่าถ้าเราตั้งอากุศลและเจตสิกดวงที่หนึ่งขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ว่าอากุศลจิตดวงที่หนึ่งเดี๋ยวถามก่อนอะไรโมหะใช่ไหมฮ นอกุศลจิตดวงที่หนึ่งในอกุศลจิตดวง่สอหรือตั้งอิสาขึ้นซึ่งเป็นอกุศลจิตในหมวดของโสะาเราตั้งดวงใดดวงหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเวลาที่อกุศลดวงหนึ่งมันนึกถึงอกุศลดวงอื่นมันจะนึกในลักษณะที่แสดงลักษณะขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่นึกสักแต่ว่านึกแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรมันนึกอย่างมีความรู้สึกอะไร และรู้สึกอะไรนั่นก็คือรู้สึกอย่างที่เจตสิกตัวนั้นมันมีลักษณะอย่างนั้นเช่นความโกโรธเนี่ยนึกถึงกิเลสตัวไหนมันก็โกโรธทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของมันเป็นความโกโรธส่วนไอสิ่งถูกโกโรธเนี่ยอาจจะเป็นความโกโรธหรืออาจจะเป็นความไม่โกรธหรืออาจจะเป็นเจตสิกอื่นๆที่มีลักษณะเบาบางอย่างไรก็ตามลอง โมลองโทสาเจตสิกระลึกถึงแล้วจะระลึกถึงด้วยอาการประทุสลายนี่มันก็จะก็เรียกว่าตั้งเป็นมูละแล้วก็มูลีเรียงหน้ามาทีละตัวทีละตัว ท, ลวทีละตัวว่าความโกรธโกรธความโกรธเป็นยังไงความโกรธโกรธความโลภเป็นยังไงแล้วเราก็ดึงไอประสบการณ์ชีวิตจริงของเรามาดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ตอบว่าจริงและเวลาที่เราโกรธเนี่ยเรา ความจริงเราไม่ได้มานั่งไล่เลืองอะไรกันหรอใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่านี่ฉันโกรธเธอเนื้อความโลภฉันโกรธเธอนืความสงสัยเราไม่ได้มานั่งเนือ้อเกี่ยนนี้มันไม่ได้รู้หน้าดูหลังแต่โดยสภาพบังคับพอลักษณะสภาวะธรรมนั้นมันฟ้องมันบอกตัวของมันเองอย่างนั้นนี่คือแนวทางว่าถ้าพูดโดยพิสดารแต่ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ได้พูดแล้วก็พูดไปนั่นแหละพูดคุยไปงั้นแหละ พระเทวไม่ได้พูดหรอก็ในในนี้ท่านพูดแบบเป็นลักษณะเราๆไว้แต่ว่าในพระสูตรทั้งหลายเนี่ยบางทีท่านจะยกเป็นกรณีเป็นกรณีขึ้นมาแบบกระจายถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกเราก็จะพบว่าออกตรงนี้อยู่ในสูตรนี้เรื่องนี้ตรงนั้นอยู่ในสูตรนั้นเรื่องนั้นแตกต่างกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นพระเทวทักับพระ ร, รักตะโมระกติสารักตะโมระกติสะกับพระเทวทัตเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมเป็นพวกเดียวกันพระกตาโมระกติสาเป็นผู้ประพฤติตามพระเทวทัตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังฆเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแฝนอัญโยล้ายต่างๆอย่างที่เรารู้อันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมในทางบุคคลแต่ว่าในทางจิตเนี่ยมาเจาะเข้าไปแล้วมันเป็นเรื่องของกุศล อกุศลของคนหนึ่งนึกหน่วงเอาอากุศลของอีกคนหนึ่งเป็นอารมณ์ถูกไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าพระเทวทัตมีพฤติกรรมอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเป็นอคุศและจิตใช่ไหมและพระโมรกาติสาที่ปฏิบัติตามคนชั่วในวินัยปราบัตปเนี่ยการปฏิบัติตามคนชั่วนิยมตามคนชั่ว เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นบาปทีนี้ก็มาดูว่ากรณีอย่างนี้เป็นบาปตัวไหนกับบาปตัวไหนโมหะอโมหะนั้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเวลาพูดแต่ความเป็นจริงคืออย่างนั้นแล้วก็ทิฏฐิกับทิฏฐิเป็นนะโทสะกับโทสะเป็นไหมโลภะกับโทสะโลหมายก็อย่างกรณีที่พระเทวทัศน์มุ่งจะทําสองประเภทเป็นโทสะใช่ไหม เป็นโทสะความจริงก็เป็นโลภะด้วยแ้วแต่วาระจิตเหตุการณ์พระโมรากาติสารับช่วยรับทากิจการภาริจต่างๆให้ด้วยความยินดีพอใจด้วยสำนึกว่านี่เป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้าของตัวตัวเริ่มใสเป็นอกภุดศรัทธาโลภะใช่นะโลภะหมกเพราะนั้นกรณีนี้นะ่ะพระโมรากาติสานึกถึงพระเทวทัต ด้วยอากุศลอันหนึ่งนึกถึงอากุศลอันหนึ่งเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูในนี้ก่อนก่อนที่จะอธิบายในบางจุดบางประการที่คนพูดอยาจะพูดทำไมอยากพูดก็ก็ไม่พูดนะเพราะพูดหมดไปแล้วเยอะอเป็นหลักกว้างข้อที่หนึ่งบุคคลยินดีเพื่อเพลินซึ่งราคะเพราะปรารบราคะนั้นราคะ ท, ที่วิธีเช้อุทธัชฌะและโทมนัสย่อมเกิดขึ้นอตรงนี้นะถามว่าอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นตัวนึกอากุศลอะไรเป็นอารมณ์ตอบว่าโลภะหรือราคะเป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกนึกและอากุศลที่มาเป็นตัวนึกถึงราคะคืออะไรในในพระไตรปิฎกในมหาปรานเนี่ยท่านแสดง อาคูศลบางตัวในลักษณะยกตัวเจ้าเรือนซึ่งมาวางแต่ว่าในสังหาเนี่ยท่านกำหนดออกมาเป็นตัวองค์ธรรมอย่างเต็มๆ ต, ต, ตามจิตก็จึงได้ความว่าในสูตรนี้ในตรงนี้บุคคลนึกถึงโลภะมู ล, ลจิตแปดเกตสิกที่ประกอบทยี่สิบสองด้วยอาคูศลละจิตเรา ก็อาจจะพูดกันในกรณีของกว่างนี้ว่าโลภะแปดวงเนี่ยมันมีทั้งโสมนัตมีทั้งอุเบกขามีทั้งอสังขาริสสังขาริสมีทั้งยานามีทั้งทิฏฐิวิปยุตมีทั้งทิฏฐิสัมปยุตนะก็รวมแล้วเป็นแปดดวงและอาคุศลเจตอาคุสนจุตสิบสองที่มันนึกถึงก็มานึกถึง โลภะมูลจิตแปดเราเราเราจะเราจะลองยกตัวอย่างดูนะผมถามว่าพวกเราเนี่ยเคยกโกรธความโลภของตัวเองบ้างไหมเคยกโกรธไหมแล้วถามว่ากโกรธว่ายังไงและแสดงความกโกรธนั้นอย่างไรเกินไม่มีไม้จ่อเหมือนสมาชิกสภา พ, าพูดแทนนะไม่งั้นคงยกมือกันว่อนไปหมดแล้วประธานไม่รู้จะอนุ ม, มัติให้ใครพูด ท่านลองคิดดูนะะว่าคนที่โกรธความโลภได้หลงคอเนี่ยต้องเป็นคนเลวหรือคนดีพื้นฐานแน่นอนไอ้ไอผลปรากฏเนี่ยว่าไอ้ความโกรธก็เลวความถูกโกรธก็เลวเนี่ยแต่ว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นคนดีใช่ไหมถึงจะโกรธเกลียดความโลภของตัวเองได้ไอ้ของคนอื่ น, นมันก็พร้อมจะเกลียดอยู่แล้วแหละไม่ไม่ไม่แน่ชัดนักว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดี เราโกรธความโลภของตัวเองเช่นยกตัวอย่างมันมีหลายกรณีมากผมนึกอะไรออกก็ยกตัวอย่างนั้นก็แล้วกันเราถ้ามันเป็นเรื่องเก่าเนี่ยบางทีมันมารู้สึกเอาทีหลังเราเคยไปช่อบไปโกงไปรักไปกระโม่กักัไว้นะฮะหรือไปทำผิดศีลขอ้อาเมสุพิสาจารย์ที่มันต้องทำด้วยความโลภหรือไปกินเหล้าเมายาด้วยอำนาจของความโลภนะะ หรือไปฆ่าสัตว์ด้วยความโลภก็มีความโลภหนุนหลังให้ฆ่าให้ตอนฆ่านี้เป็นโทสารก็ตามเสร็จแล้วเรามาโกรธถามว่าที่เรามาโกรธเอาที่หลังเนี่ยเพราะเรามารู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นความถูกอะไรเป็นความผิดเราถึงโกรธบางคนนั้นก็โกรธก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเผือพลั้งแล้วตอนทําน่ะไอความชั่วมันยังไม่ผล พอพระต้องไปติดคุกติดตารางความชั่วให้ผลเข้าก็โกรธผมกม็เชื่อว่าที่เป็นข่าวอยู่เดี๋ยวนี้อาจจะกำลังโกรธอยู่ก็ไม่มาพูดเราฟังนะเพราะแม้เราไม่นานแล้วก็ผ่านไปโทษเพราะคนนั่นเจ้าเพราะคนนี้เจ้านะก็อาจจะไปนึกในใจอย่างงีอย่างนี้คล้ายๆเหมือนอย่างเรานึกกับบางเหตุการณ์ของเราก็เปลี่ยนได้อารนี้ก็คือเมื่อความชั่วนั้นให้ผลคนจึงระลึกได้และบางคนก็ผ่านโกรธ คนนั้นคนนี้แบบอันตรภานไปนี่ก็เป็นเป็นเป็นรายหนึ่งและบางทีก็มันเกิดขึ้นจากความที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เสียสละด้วยอำนาจความเห็นในตัวเราในบางเรื่องบางอย่างเราก็เลยไม่ให้ไม่ช่วยไม่อำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้างแก่คนบ้างแก่ ใส่ดเดรัจฉานบางอย่างบางบางกรณีบางก็ทําให้เกิดผลร้ายขึ้นเช่นลูกเขาขออะไรบางอย่างเราที่เราตัดเราหรือไม่ใช่ลูกเป็นคนอื่นก็นตามเนี่ยนะที่เรารับปากว่าจะให้เสร็จแล้วเราก็ไม่ให้ด้วยความตริย์ด้วยความหวงอะไรของเราที่มันเกิดขึ้นเยาพาะหน้าก็ทําให้ให้ลูกหรือคนนั้น เขาไปทําลายตัวเองฆ่าตัวตายหรือมาประทุสลายเหล่าหรือมาประทุสลายคนของหลักตัวก็มานั่งนึกบางคนก็โกรธคนทําแล้วบางคนก็นึกว่าแหมนี่เราเนี่ยมันแค่เสียนิดเดียวเนี่ยเราไม่ยอมเสียทั้งที่เรารับปากจะเสียก็เลยทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ก็มีแล้วก็บางครั้งเนี่ยครับเราก็อาจจะเกิดความโลภขึ้นมา ไอ้ความโลภของที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงอาการทุกอย่างของโลภะเจตสิกบางครั้งเนี่ยเรานึกขึ้นมาว่าเราควรจะแก่คนคนนี้ในตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ให้เมื่อไม่ได้ให้เนี่ยก็ปรากฏว่าเพราะการที่เราไม่ได้ให้เขาเนี่ยเขาเกิดล่มหายตายจากปะโกรธไหมครับบางครั้งเราอาจจะเกียหัวตัวเองนะ แล้วบางครั้งเขาอาจจะไปะไม่ได้มาตายเพราะอะไรแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแมมเราเสียดายโอกาสนั้นมากอา่อย่างเมื่อวานนี้ผมไปงานศพของคนหนึ่งที่เฉลิมปูสาทองก็ที่ไม่ได้ไปพูดเพราะทะเลาะเมื่อวานก็เพราะเนี่ยเขาตายแหละเป็นคนดูแลแต่ ก, ก็หายไปหลายไปถ้าเป็นเดือนนะผงก็ไม่รู้หายไปไหนนี่วันเสาร์ที่แล้วมาเยือนคุยอยู่ด้วยพร้อมโกรกเลยครับแต่ก็ยังคุยแข็งแรงนะบุคลิกก็แข็งแรงืองคุยเสียงดัง เราก็ไม่แน่ใจว่าแกจะรีบตายปรากฏว่าวันอังคารแกอนุรีคุณบอกขอหยุดบอกเองไม่หยุดไม่ได้เลยไอ้คนก็จะมาเกินก็มีมาเกิร์มก็ไม่มีคนดูแลทุกคนก็ต้องไปงานจบกั้งหมดทีนี้ไอ้ตอนนั้นนะไอ้เราก็นึกคุยตอนคุยนะเราก็นึกว่าเองนึกในใจว่าจะควรจะควักเงินให้เขาสักห้าร้อยนะเพราะเราก็ไม่รู้เขาไปป่วยแล้วก็เขาจะได้ไปซื้ออยู่ซื้อยาซื้ออะไรบำรุงตัวนึกในใจว่าไง ทีนี้ไอตอนคุยแล้วก็อเงินมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าพอเราคล้อยหลังแล้วความโลบเงลางแกล้งลืมไม่ได้ควักมาให้เขาพอรู้ข่าวว่าแกตายถามมาตาตายวันอาทิตย์ผมก็รู้สึกจะโกรธตัวเองต่งนินต่งหินทุกแม่เราน่าจะได้ถ้าเราให้เขาห้าร้องอาจจะไม่ตายก็ได้เลยทําให้ต้องเดือดร้อนต้องหยุดบรรยายธรรมมากกันเนี้ยก็เลยไปเป๋าโศกไปทปําบุญเอาที่นู่น แต่มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนก็เราได้ให้กับมือก็เองนะฮะไอ้อย่างเนี้ยมันมีแบบบางทีไอ้ขอทานเหมือนกันบางทีเราก็ตัดสินใจไม่ให้ก็ถูกแล้วเออไม่ให้ถูกแต่ในบางรายนานๆครั้งเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทําไม่ถูกกับบางคนนะที่ไอ้ข้อเท็จจริงบางอย่างมันปรากฏว่าเราควรจะให้แต่เราไปนึกแต่นูน่นอันนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องของอกุศลเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ก็ทําให้เกิด ความรู้สึกว่าไม่สบายใจที่หลังโกรธตัวเองที่หลังนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างที่มันเกิดเกิดกับผมท่านเองท่านอาจจะมีตัวอย่างอย่างของท่านทําบางก็ได้ไอความโกรธในความโกรธเนี่ยก็มีบ่อยมากอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะคนที่โกรธปกติคนธรรมดาทั่วไปเวลาโกรธแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธความโกรธไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโกรธความโกรธโกรธแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วถูกแล้ว ความรู้สึกส่วนใหญ่ของคนโดยมากเวลาโกรธแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าดีแล้วตอนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใหม่ๆแต่ว่าหลังจากนั้นนานๆอันนี้มันก็เป็นหลักร่วมกันอันหนึ่งว่าเมื่อกรำให้ผลคนก็จะรู้สึกว่ากรรมนั้นเป็นของไม่ดีตามพุทธพจน์นะแต่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่หลังแต่บางคนก็กรำให้ผลแล้วยังรู้สึกไม่ดีอยู่ก็มีโมหะมันครอบงำมาก ทนี้ไอเราเราโกรธความโกรธที่จริงมันก็ไม่ถูกไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าอากุศลทุกชนิดที่ปลาระอกุศลเกิดขึ้นในทางหลักแล้วถือว่าผิดแต่ว่าไอมันอาจจะส่อแนวโน้มของจิตของบุคคลนั้นได้ไอลสนิยมในอกุศลแนวอกุศลเนี่ยนะมันส่อหมายถึงอกุศลกับอกุศลเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันส่อ พื้นฐานเบื้องหลังจิตใจคนนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ใช่เป็นของถูกต้องเพราะอะไรถึงไม่ถูกต้องคนที่นึกถึงความโกรธด้วยความโกรธเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วคือการอบลมความโกรธให้กล้าแข็งยิ่งขึ้นจริงไม่จริงคนลบล้างความโกรธด้วยความโกรธไม่เท่ากับไม่ลบล้างเพราะว่าในทางหลักพุทธพจน์ว่าบุคคลไม่อาจจะละ ราคะได้ด้วยราคาบุคคลไม่อาจจะละโทสะได้ด้วยโทสะและ้วไอเรารู้สึกว่ามันละมันค่อยยังชั่วเนี่ยความจริงไม่ใช่ครับมันเป็นภาพลวงตาเราที่บางทีบางคนก็แนะนําว่าเวลาโกรธก็ให้แสดงออกไปฟันต้องกลงตัตรงกลวไปเตะตรงกตรงกลัวอะไรนะเชื่อไหมครับเตะไปเตะมาว่าหลังมันลามมันลามเตะ ต้นกล้วยแล้วมันรู้สึกว่าความโกรธมันสะสมใช่ไหแล้วมันไม่หายโกรธนะคนเราเนี่ยไอความโลบมันก็อยากยิ่งขึ้นไม่มีที่สุดมันวิจิตยิ่งขึ้นพิสดานยิ่งขึ้นวิศาลยิ่งขึ้นความโกรธก็เหมือนกันหนักเข้าเนี่ยมันเตะแล้วมันไม่หายเลยมันต้องมาเตะพี่มาไอที่ไม่โกรธแล้วที่แรกมันยังเกิดใจอยู่มันยิ่งทํานี่ก็ถ้าว่าเรายิ่งสั่งสมแล้วมันจะเกิดพลัง ทำอะไรเกินขอบเขตมากขึ้นตามลําดับเราอย่าไปนึกติดภาพลวงตาอาการภายนอกว่าเวลาเราเอ็กอกุศลเนี่ยเวลาเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าจุดเริ่มต้นมีวงรอบชั่วขนะไอ้เราหลงเนี่ยเราหลงวงรอบเล็กเราต้องไม่ลืมว่ามันมีวงรอบใหญ่อีกทีหนึงไอ้วงรอบใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากแรงสั่งสมของวงรอบเล็ก ถ้าลองนึกดูแล้วกันว่าเราเนี่ยเป็นคนสังกินอาหารอร่อยสมมติว่างั้นนะเป็นคนถือสาเรื่องการกินอยเกินเหตุกินแล้วต้องอร่อยควนจริงไม่มีใครเห็นแก่ที่เห็นแก่กินให้ทานกินข้าวทั้งวันยังข้าหมามุ้งหามกล้ําอร่อยไม่เลิกกินไม่อิ่มมันเป็นไม่ได้ใช่ไหมกินเสร็จแล้วมันก็อิ่มครบรอบไปแต่อาการที่มันกินอิ่มแล้วครบรอบไปเนี่ยด้วยอาการสนองความตั้งใจในการกินมือนั้น อร่อยมือมม้อนั้นเมาการกินมื้อนั้นนะมันเป็นการละเหรือไม่ครับมันมีมื้อต่อไปที่รอบมันอาจจะใหญ่กว่านะเพราะนั่นไอ้คนข่มขืนข่มแล้วข่มเล่าฆ่าแล้วฆ่าเล่ามันคือการละเหลยวันนี้นะถึงศีรษะมาไหลเป็นอหรหันแน่ไม่ใช่อย่างนั้นมันกลับสะสมสั่งสมแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งมียิ่งมากในในลักษณะรอบใหญ่ นั่นกิเลสเนี่ยจึงอย่าให้กิเลสเข้ามาเป็นตัวจัดแกงกิเลสเรานะครับอย่าให้กิเลสเข้ามาเป็นตัวจัดแกงขอให้กุศลเข้ามาเป็นตัวจัดแกงและเราจับหลักได้อันหนึ่งว่าเวลาให้กุศลเข้ามาตัวจัดแกงเนี่ยท่านใจยอมรับให้กิเลสเข้ามามาจัดแจงได้ด้วยในลักษณะที่ว่าถ้ากิเลสนั้นเข้ามาอย่างในลักษณะที่เป็นเป็นกลไกลหรือเป็นเครื่องมือของกุศลได้ อย่างนี้ได้ยังมีผลในทางแล้วเพราะอะไรเพราะกุศลมันคุมลึก ค, คุมคุมอยู่ในเบื้องหลังเหมือนอย่างกรณีพรา น, นันทะเนี่ยถือว่าอยู่ในอุบายของกุศลนะหรือเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างทม่เรีว่าคนคนขี้ฉาในบางเรื่องเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาแนะนำเขาเพื่อไม่ให้อี้ฉาเราจะต้องย้ายกิเลสเขาเนี่ยนะ แล้วเอากิเลสส่วนอื่นของเขาเนี่ยมาเป็นเป็นผลได้ให้เขารู้สึกมันเป็นผลได้อย่างเช่นไปอิจฉาคนนั้นเนี่ยเขาเพราะเขาไปเห็นประโยชน์แค่ไอ้ขี้ข้านเล็กๆเราก็ย้ายหมาว่าเนี่ยคุณทําอย่างนี้แล้วคุณจะมีเกียรตคุณจะยังแล้วแต่จะพูดให้ฟังคุณจะได้มิตรภาพนี้แล้วมันใหญ่ไว้ที่คุณมุ่งได้ก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดกิเลสขึ้นอีกอย่างที่มันก็ยังชั่วกว่าแล้วก็มาอยู่ในอบายของกุศล และตัวเราเองก็เหมือนกันกิเลสแต่และตัวเนี่ยบางทีมันต้องให้กุศลเนี่ยไปเอากิเลสอื่นมาเป็นเครื่องอเป็นเครื่องล่อลอกิเลสนะคือเรียกว่าเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือก็จะทำให้เราละกิเลสที่เป็นตัวปัญหาใหญ่ไปได้ก่อนแต่เมื่อกุศลเข้ามาบริหารแล้วมันรู้ว่าแม้กิเลสลอก็เป็นปัญหาไม่ใช่ว่าลอเสร็จแลกกิเลสตัวหลังมาครอบงา ทำให้เราชั่วเพราะกิเลสหลังซึ่งมันมีนะฮะในลักษณะที่เรียกว่าไอคนหนึ่งแก้กิเลสหน้ากิเลสหลักได้แล้วมาชั่วเพราะกิเลสหลังอตัวอย่างก็อย่างเช่นอย่างคนเข้าวัดเนี่ยไม่เป็นกรณีของเข้าวัดที่ไม่พ้นกิเลสบางอย่างมาเสียเพราะกิเลสหล่อใช่ไหมอย่างเช่นเร า, เ, ราเข้ามาเราส า, าห์ไม่เสียสลาการท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่มาเพื่อมาฟังธรรมมาฟังไปฟังมาบอกนี่ธรรมมาเป็นของดีนะ อ่าเวลาคนเขาบอกเนี่ยเราประเสริฐกว่าคนอื่นเขานะนะยอไปยอมาสาธุการไปสาธุการมาเลยหลงตัวเลยเลยกลับไปบ้านไปตะลอกก็คนไม่เข้าวัดะเลยอย่างนี้เรามาเสียพวกกิเลสหรอกเพราะนั้นมันถึงเหมือนเปรียบเทียบมาเหมือนกับเอาเหล้ากระสายยาเพื่อให้กินยาและให้ยาจะได้ฆ่าโรครักษาโรค ก, กระสายไปกระสายมา ภาคดว่าไอ้คนนั้นมาติดน้ำกระสายาพูอย่างนี้ฟังดูก็อย่างชั่วหน่อยแต่ว่าไอ้ไอ้น้ำกระสายมันขยายได้นะทำให้เกิดการตีกลับได้งนั้นไอ้กิเลสเนี่ยเขาเขาเขาก็ซับซ้อนนะซับซ้อนและกุศลเนี่ยบางทีมันก็ก็ครอบงำได้ในบางขนาดบางระยะแล้วมันก็เพียงพล้ํมกับอกุศลในบางระยะคนเราถึงดีไม่เท่ากัน อดีได้ไม่เท่ากันนีคยับเพราะว่าอากุศลเราประณีตละเอียดแตกต่างดังนั้นผมถึงบอกอยู่เสมอว่าอากุศลเนี่ยมันเป็นตัวโดยตัวมันเองแล้วมันเป็นตัวเพิ่มกําลังอกุศลและความคิดใดๆของอกุศล น, นั้นเชื่อถือไม่ได้จําไว้เลยนะเหตุผลใดๆของอกุศลเนี่ยเชื่อถือไม่ได้บางทีมองในแง่ของตัวหลัก ตัวคําพูดเนี่ยมันดูดีแต่ในเนื้อแท้ของอกุศลนั้นมันไม่ได้ทําให้เกิดผลอย่างนั้นเพราะว่าไอ้เรื่องนี้นะเราได้คติจากอย่างที่เคยพูดแล้วนะแต่ว่าย้ําให้เห็นตรงนี้ครั้งหนึ่งว่าเหมือนกับคนอีวกคนเฉลี่คนไปโลกประสาทที่ฉลาด เ, เหตุผลดีมากดีจนกระทั่งคนไม่ไปโลกประสาทเนี่ยยอมรับมาแล้วว่าไม่กล้าคุยกับเขา ถ้าคุยกับเขาแล้วโดนครอบงําทันทีเพราะว่าหลายข้หนึ่งคนเป็นโรคประสาทนี่ความคิดเฉพาะหน้าคือจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ตรงนี้เข้มแข็งว่ากคนนี้จะมีความทนงานในเรื่องนี้สูงไม่ค่อยเหนื่อยคนระับไอจุดเหนื่อยมันมีจุดหนึ ง, นนงแต่อย่างนี้ไม่เหนื่อยมืนฮิตเลอร์เมื่มอะไรอย่างไงนะสังเกตดูได้ไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สองถ้าคนนั้นเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องก็อย่าลืมว่าอคนที่มีปัญญาจริต ไม่ใช่ว่าพ้นอกุศลนี่ยากใช่ไหมฮะนี่อกุศลนี้ยากมันมันเวลามาให้ผลมันมาสวมในจริตใดมันก็ออกบุคลิกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีมีเหตุผลพูดเนมีเหตุผลมากจนหลายหลาคนเนี่ยหลวมตัวไปตั้งเป็นปีครักว่าจะมารู้สึดเนี่ยมันเกิดไใ้เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมึงมันมนั่งทบทุ่วนเอ๊ะมันทําไมขัดขัดแย้งแย้งกันหน้าอะไรเงี้ย น, นะถึงมาจากได้แต่ระหว่าง ใหม่ๆเขาบอกฉันไม่กล้าคุยด้วยหรอกพอคุยด้วยแล้วฉันก็แพ้เขาอีกไ mm hmm. ม่รู้จะเถียงเขาอย่างไงเขาเหตุผลดีแล้วเกิดซึ่งบางทีคนแสดงเหตุผลเนี่ยเ อ, อถ้าเมื่อเวลาเราคุยเขาเราบอกว่าบางทีเจ้าตัวนะ่ะไม่รู้ตัวหรอกเข้าใจไหมพูดออกมาเนี่ยไม่รู้นะความคิดมันออกมาต้องแสดงอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอาเหตุผลมาเพื่อประโยชน์ทางอารมณ์ในความรู้สึกของเขา แต่เจ้าตัวเนอะไม่บางทีไม่รู้ตัวบางทีเขาขัดยแย้งกันเองเป็นไปได้นี่คก็ลักษณะได้ว่าเข้าเกินเลยไปถึงอาการโลภะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดที่ดื้อรั้นเคยเจอบางไหล่ะหมก็ะสาบซึ่งอยู่ในหัวใจอยู่อยู่ดิแต่ว่าเล่าอะไรชัดไหมล่ะยอดจริงจริงกันละกัน ปราดเปลืองมากเหตุผลเนือ้อใสสะอาดพูดเรื่องไสสะอาดแต่ว่าสิ่งที่พูดนะั้นก็แค่สักแต่ว่าพูดไม่เคยคิดจะทําไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยแล้วก็พูดเพื่ออารมณ์มุ่งหมายเฉพาะนะ่ะเอาเหตุผลมาเพื่อเป็นประโยชน์แกอารมณ์เฉพาะนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างสาธุชนรู้สึกเลยน่ากลัวมากจริงๆ แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันยิ่งประสบความสําเร็จเมื่อเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จแต่อยู่บนพื้นฐานของความไม่มีจริยวัตรปะและจิตเป็นอกุศลและหาคนไปโต้เถียงด้วยเป็นอาการยากมากยากจริงๆเนี่ยครับไอ้ที่ผมพูดอย่างนี้นะเพื่อจะกลับเข้ามาว่าเวลาเราเกิดอกุศลและจิตเนี่ยเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นแล้วนะ เวลาเราเกิด อ, อกุศลจิตเนี่ยเราจะคิดหาเหตุผลอะไรต่างๆบังเอิญเราบางคนคุ้มดคุมลายเราก็มานั่งนึกได้ตอนที่เรากุม้มดีว่าเ อ, เอ๊ทําไมเราคิดอย่างนีน้แต่เวลาที่เราเกิดไอ้ความเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาไง น, นะเกิดความโลภมามันคิดหาเหตุผลยังงุ่นอย่างเ ง, งี้เพื่ออะไรรูไ้ไะเพื่อตัวเอง แล้วยิ่งคิดมันก็ยิ่งถูกแล้วเขาเร็วแล้วเขาผิดแล้วยังงีอยางีงนี่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมเอาเรื่องคนอื่นมาพูดนะพูดจากหัวใจของผมเองกเพื่อจะแทนพวกท่านท่านอาจจะมีความคิดอะไรอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเรามีความสุขอย่างนั้นแล้วมีความเฉลียวใจมีความคุ้มดีเข้ามาเป็นตัวชดเชยแก้ไขบ้างเนี่ย เราถึงพอเอาชนะมันได้แต่เราจำไว่อย่างหนึ่งเลยว่าคนเราจะรู้สึกอย่างไรแท้ๆเนี่ยเมื่อเกิดอกุศษษษษแลแะจิตหรือเกิดกุศลและจิตขึ้นมานั่นคือความรู้สึกแท้ๆเวลามันเกิดอกุศลและจิตมันก็คิดอย่างากุศลแจิตแน่ๆเหตุผลอะไรอะไรมันก็นั่นแหละขึ้นมืออกุศลและจิตแน่ๆถึงบางครั้งเนี่ยทางหลักศาสนาว่า ถึงบางครั้งจะสมเหตุสมผลก็ใช้ไม่ได้ถามว่าใช้ไม่ได้ด้วยอะไรด้วยอากุสมนฉิตถึงจะสมเหตุสมผลก็ใช้ไม่ได้ก็นั่นนะคือการถ้าใครเกิดอากูสมจิตคิดอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างสมเหตุสมผลแล้วมันผิดตรงที่ว่าไอ้ความคิดอย่างนี้กับความถูกต้องในที่สุดมันจะผิดที่หลังจะสะสมความผิด ให้เกิดขึ้นที่หลังที่หลังที่หลังซึ่งต่างกับคนที่คิดด้วยกุศลจิตเนี่ยบางทีมันเริ่มจากผิดถูกถูกเนี่ยแต่นานเข้านานเข้ามันจะยิ่งถูกยิ่งถูกยิ่งถูกใช่อ่มเรานึกถึงในแง่ดีอย่างของเราบ้างว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยเราเรามีกุศลจิตเราคิดดีแต่ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพยายามทําเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าใจเรายังบริสุทธิ์อยู่เนี่ย มันมีโอกาสถูกไม่ถูกมันมีโอกาสท่านฟังธรรมะขณะนี้ด้วยความคิดสองอย่างระหว่างคนสองคนคนหนึ่งฟังก็เข้าใจแต่ฟังแล้วก็ง่วงไปอะไรไปใจไม่รับธรรมะไม่รู้สึกอีกคนหนึ่งเข้าใจบ้างมาเข้าใจบ้างแต่ใจรับธรรมะก็ตือรือรน้นอยากจะรู้อยากจะสมาทานนไปปฏิบัติ อนาคตสองคนนี่ต่างกันแต่บางคนบางผู้ใจไม่พอใจพอ ใ, ใ, ใจแล้วทำไมปูแบบโยนโยนนี่นะเขาเข้ามาในมีเจตนาโยนคือเขาไม่รู้ว่าอะไรขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆคือบางคนเขาก็ถามซื่อี่นะว่าเอ้เนี่ฟังก็เข้าใจนะเข้าใจก็หมายถึงเข้าใจในขั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่เขารู้สึกมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเราก็มองว่าทําไมก็เพราะว่าไอ สิ่งที่เขาสแสวงหาหกับความเข้าใจของเขาเนี่ยเขากํลาลังสแสวงหาด้วยจิตที่มันไม่ใช่กุศลไงก็เราก็ต้องถามแล้วคุณจะฟังเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะเอาอะไรแต่เขาอยากฟังเพื่อจะเอาอะไรถามว่าฟังเพื่อจะเอาอะไรพูดเพื่อให้เขาค้นดูเจตนาแล้วเราค่อยบางทีไปเจอคนเจ้าเล่ยก็ลําบากเหมือนกัน น, นะ เจ้าเล่าก็พูดโยงโยกเขาไปอย่างโอย่างงี้แต่ว่าเราจะต้องพูดเข้าไปสกัดความรู้สึกให้เขาตั้งความคิดใหม่ด้วยวิธีการใดๆให้ได้เขาถึงจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อชัดเจนก็ง่ายๆเนีย่ ย, ย, ยว่าทำบุญไปไมคนหนึ่งทําทบุญแล้วจัน์สบายใจแค่นี้เขาก็ไม่กระจครับทําบุญแล้วสบายใจ ไอ้เรื่สบายสบายใจอนะไรเงี้ยทุกวันนี้ฉันก็สบายใจฉันอยู่แล้วไม่ต้องทําบุญแล้วไม่ต้องลงทุนเลยเสิเราเห็นด้วยเขาไหมละ่ะแม้เราก็มาถ้าถ้าไปเจอคนเหตุผลดีเนี่ยคงเคลิมเหมือนนะเออจริงอ่ะเขาฉลาดกว่าเราเขาสบายใจโดยไม่ต้องทําบุญเราเนี่สังฆทานแล้วสังฆท า, านอีกถึงจะสบายใจลงทุนแยะจากกล้าเข้าใจคือเรื่องพูดอย่างนี้เนี่ย มันก็ง่ายที่สุดที่จะมองแล้วความคือเรามองค่าละความว่าความรู้สึกของคนนะนะคือถ้าหากว่าคนพูดอย่างนี้บางคนเพียงแต่พูดต้องการจะขัดคอคนอื่นเท่านั้นเองนะฮะเข้าใจนะเพราว่าพูดเพื่อจะขัดคอคนอื่นเท่านั้นเองระบายความรู้สึกในตาอุศน์เท่านั้นเองอันนี้เรามองกรณีนหนึ่งเป็นอย่างนี้หรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือ คนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดต้องการจะบอกว่าการทำบุญมีหลายแบบแล้วก็พูดเพื่อจะปลอบใจคนบางคนแม้คุณในโชคดีเหลือเกินเนะเนี่ยทำสังฆทานได้วันละสกระบุงฉันไม่มีปัญญาจะทำน้อยเนื้อตามใจอย่างนี้ก็พูดด้วยความคิดเกื้อกูลนะฮะนั้นไอโดยสรุปแล้วเนี่ยท่า จิตมันเป็นกุศลด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พูดออกมามันก็ถูกต้องกับความจริงด้วยแล้วก็เกื้อกูลคนด้วยในบางครั้งอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าการทําบุญโดยไม่ต้องใช้เงินแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องใช้เงินทั้งนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าคนทําบุญโดยใช้เงินผิดและคนที่ทําบุญโดยไม่ใช้เงินไม่ควรจะต้องทําบุญโดยใช้เงินบุรีแล้วนะบอกเนี่ยทําบุญไม่ ไม่ต้องใช้เงินก็ได้เพราะต่อไปนี้ขออย่าได้ทำบุญโดยใช้เงินเอาเงินไปซื้อเเลี้ยงกยินดีกว่าพูดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้จริงๆแล้วต้องทำบุญให้ครบทั้งใช้เงินทั้งไม่ใช้เงินและที่จริงอย่างเราๆทั่วไปทำบุญใช้เงินมากกว่าไม่ใช้เงินใช่มหมยากกว่าไม่ใช้เงินไอ้ทำบุญไม่ใช้เงินบางอย่างในยากอ่าถ้าพูไปไหว้พระเนี่ยมีทั้งไหว้าาพระแบบใช้เงินไม่ใช้เงิน ถ้าไหวแบบไม่ใช้เงินก็ไหวมือเปล่าบอกว่าหลวงพ่อไหวแบบประหยัดสนองนโยบายแล้วแต่ใช้เงินก็เนี่ยมีอย่างเงี้ยเปลืองเงินอย่างนี้ใช้เงินทีนี้ถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องมาถามว่าอย่างนี้น่ะใช้เงินกับไม่ใช้เงินท่าข้อแม้อย่างอื่นเท่ากันหมดอันไหนได้บุญมากกว่าเะอยังก็เป็นอีกเรื่องแล้วนะถ้าบุญข้อแม้อย่างอื่นเท่ากัน เราหวางใช้เงินงนี่เขาเรียกขั้นของความประณีตและประโยชน์ค่าที่สมบูรณ์ไม่เท่าทีนี้ถ้าไม่ใช้เงินบางอย่างเนี่ยเช mm. ่นไปทํากรรมฐานเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยยอมยอมเสียยอมบริจาคแต่ไม่ยอมไปทำํำมีจริงๆครับยอมบริจาคแต่ไม่ยอมไปทํากลัวมากกลัวนี่ไม่ใช่กลัวบ้าหรอกครับ ขนาดรู้ว่าทำแล้วมันดียังไงบางคนเลยนะยังไม่กล้าทําไม่กล้าทําเหตุผลเพราะแรงห่วงห้ามของกิเลสนั่นเองถามว่ามาฟังธรรมะนี่ต้องใช้เงิ น, นไหมไอ้ต้องอย่าไปคิดเรื่องเดินทางเนี่ยไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะหาว่าค่าน้ํามูกน้ำมันแล้วจะมาคิดทวงบุญคุณกับลาทวงบุญกับไรแต่พูดถึงว่าไอ้เราเข้ามาฟังธรรมะหมายถึงเอาบรรยากาศการฟังนะ ไอ้ที่มีการบริจาคนั้นไม่เกี่ยวกับข่าฟังคุณมานี่ก็ไม่ได้เขียนว่าค่าฟังธรรมะจริงๆไม่ไม่ได้มีการขายตั๋วก็ถือว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้เงินและใช้เงินเนี่ยเรามันก็ไม่ได้บอกเอ้าซื้อวันเอ้าวันนี้เซ็นเช็คห้าหมื่นขอความรูร้โปรเจกตที่หนึ่งกลับโรถกลับบ้านอรืร่องงี้เงีมก็ไม่ได้ต้องมานั่งเรียนอ่ะก็ไม่ไม่ต้องใช้เงิน ทำมาเทศนาก็ไม่ต้องใช้เงินไอ้ใช้เงินเขาก็จะให้เขามาเที่ยวจ้างจ้างให้เขาเจอเราไปพูดก็ไม่มีใครก็ทํากันฉะนั้นอันนี้ก็เอาหลักกว้างๆไว้อย่างนี้ว่ากุศลอกุศลอากุศ ล, ลกับอกุศลเนี่ยเขาเข้ามาจับต้องจึงว่าอากุศลเนี่ยมันเข้าไปจับต้องทั้งกุศลทั้งอกุศล ถ้ า, ากุศลเข้าไปหน่วงอกุศลเป็นอารมณ์คืออกุศลนั้นไปให้กำลังแก่อกุศลให้จำไว้ยี้เลยไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรด้วยวิธีการอย่างไรและสองถ้าอากุศลเข้าไปหน่วงยึดกุศลกุศลนั้นถูกลดกำลังถูกทำลายทำลายมากทำลายน้อยก็แล้วแต่เรียกว่า ถ้าอากุศลนั้นเป็นตัวตั้งเจตนาก่อนทาอากุศลเข้าไปเกี่ยวข้องก่อนทาเป็นอัประเจตนาอาบุปะเจตนาไม่บริสุทธิ์ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องขณะรรมมุนจเจตนาไม่บริสุทธิ์หลังทาอัประเจตนาไม่บริสุทธิ์และเวลาส่งผลเนี่ยมันจะส่งผลอย่าง ก, กระปรกกระเปียและมีรอยด่างมากส่งผลอย่างมีรอยด่างมาก แล้วก็จะติดมาเป็นลักษณะทางกิเลสทางนิสัยคือเป็นคนเอ๊ะแปลกว่าไอ้ 8, คนนี้ทําไมดีๆชั่วๆอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมจ๊ะนิสัยดีๆชั่วๆไม่ใช่คนสองคนนะทําไมดีๆชั่วๆอยู่แล้วบางทีไอ้ดีๆชั่วๆบางอย่างเนี่ยมันขัดกันด้วยนะมันเหมือนคนบ้านหะครับปุถะเจ้าวาปุถยองค์นบ้าในนะจริงเลยมันขัดกันอนะ่ะขัดกันโดยที่ถ้าเป็น ไม่มีธรรมะเลยก็1้อยเปอร์เซนไม่รู้ว่าตัวกัดแสดงออกไปตามความรู้สึกเฉพาะหน้าเท่านั้นแล้วมันก็ขัดกันอยู่ในตัวชีวิตถึงสุกสุขดิบดิบสุกบางทุกบ้างอันนี้ก็เราก็จริงๆเราถือว่าเป็นอย่างดีว่าคนชั่วยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่นับว่าประสบความสำเร็จในทางดีทีนี้ผมถามนิดนึงว่าเอแล้วอิที่ถามเนี่ยคืออยากแย่ยคิด ถึงอกุศลบางอย่างนี่มันแปลกหน่อยว่าฟุ้งกับความฟุ้งเป็นอย่างไรอิจฉาความอิจฉาเป็นอย่างไรบังเอิญอิจฉาเนี่ยมีอารมณ์เป็นภายนอกมีใครอิจฉาตัวเองบ้าไม่มีทีนี้เวลาเราอิจฉาคนอื่นเนี่ยเราอิจฉาไอ้ผลได้ของเขาอย่างงูอย่างนี้ แต่เราเคยอิจฉาความอิจฉาเขาไหมเนี่ยอิจฉายังไงเนี่ยผมเองเกิดมายัางนึกไม่ออกเหมือนนะเนี่ยอิจฉาความอิจฉาถ้าไอ้ฟุ้งความฟุ้งเนี่ยมันไม่มันง่ายเพราะเวลาเรานึกถึงความฟุ้งมันก็เลยพากันไปใหญ่ฟุ่งไปกันใหญ่ปลาโรคความพุ้งด้วยความฟุ้งชื่อว่าปลาโรคความพุ่งนั้นโดยขาดโยนิโสมนสิการก็ฟุ้งส่านตอนนี้ที่นี่พวงโมกพูดถึงว่า เราอิจฉาหุดโดยมากมันก็พุ่งไปที่ความสำเร็จในเรื่ององนือนแต่ไอ้ไปอิจฉาความโกรธอิจฉาความโง่อิจฉาความลิศยาเขาเนี่ยเรานึกว่าเราอิจฉาไม่ได้ถ้าถามอย่างนี้ไม่มีใครคิดว่าตัวเองอิจฉาได้แต่ไอ้ความอิจฉากิเลสบางตัวนี่มันชัดเจนว่าเราอิจฉาเช่นอิจฉาความสุขด้วยความโลภเรานลกว่านั่นเป็นความสาเร็จ นะฮะอิจฉาวความโลภความกำหนัดความยินดีเขาหรือเห็นเป็นของดีแล้วก็อิจฉาความโกรธเขาในลักษณะที่สำคัญความโกรธนั้นเป็นความดีเช่นว่าคนที่เขาสามารถมีใจแข็งสามารถที่จะฆ่าคนได้สามารถที่จะทำความผิดอะไรได้หรือเป็นคนที่สำคัญว่าเป็นความเข้มแข็งแล้วก็เห็นว่า ความโกรธนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จของตัวเองก็เกิดอิจฉาในสภาพในขณะที่เกิดการขันแข่งกันในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดความลิษยาซึ่งมันจะพาดพิงมาถึงผลประโยชน์อันใดอันหนึ่งแต่เวลาคนลิษยาเนี่ยมันไม่ได้คิดเจาะไปสู่สภาวะเราไปเห็นคนหนึ่งเขาแสดงบทบาท เป็นดาวร้ายอิจฉาลิษยาเ อ, อคนหนึ่งเขาแสดงได้ดีกว่าตัวเองเขาเลยไม่รับตัวเองเขาไปเป็นนางร้ายหรือเป็นะ เ, เป็นตัวโกงแม้ก็อิจฉาเขาแม้เขาสวมบทบาทได้ดีอะไรอย่างนี้นะหรือบางคนก็อิจฉาว่าเนี่ยเพราะคนนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะความอิจฉาลิษยาแล้วตัวเองก็เห็นว่านะเป็นเป็นสิ่งดีซึ่งนํามาซึ่งความสําเร็จ ตัวก็ออิจฉาเขาไม่อยากให้เขาได้ดีซึ่งจิตของคนนั้นอาจจะนึกไปถึงวัตถุภายนอกแต่ว่ามันอนุโลมไปถึงสมุติฐานคือความคิดของคนเราละเรามาดูข้อต่อไปพระข้อต่อไปที่ท่านกล่าวว่าอินดีเพื่อเพลินึ่งทิฏฐิเพราะปลาโลกทิฏฐินั้นราคะวิจิกิจฉา คุณทัศน์จ่าทีคื อ, อสองข้อเนี่ยถ้าพูดรวมไปแล้วก็แทบจะไม่ต้องแยกข้อในทีน่นี้สองข้อนี้ท่านยกเอากิเลสหลักขึ้นมาเป็นตัวตั้งคือถ้ายกราคา เ, เอาเอาความโลภมาเป็นตัวตั้งและกิเลสอย่างอื่นก็เกิดขึ้นกับความโลภความโลภทําให้เป็นอารมณ์ของความโง่ก็คื อ, อทําให้ตัวเองไม่เข้าใจความโลภอันนั้น ระลึกถึงความโลภนั้นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจโดยทิฏฐิก็เข้าใจผิดในความโลภนั้นโดยราคะก็ชื่นชมในความโลภนั้นอีกโดยอุท ธ, ธจจะก็ฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความโลภนั้นโทมนัสก็เสียใจอยู่ด้วยความโลภนั้นถ้ายกทิฏฐิขึ้นมาคือความเห็นผิดซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอันหนึ่งว่าบุคคลเมื่อเกิดความหลีผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว กำหนัดในความเห็นผิดนั้นก็ได้ที่เรียกว่าติดความเห็นพูดอย่างชาวบ้านก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยเป็นของปรากฏชัดมากกำหนัดในความเห็นถึงทำให้เกิดการทะเลาะแว้งเกิดความเร่าร้อนอะไรขึ้นมาก็เพราะกำหนัดในความเห็นนั้นถ้าเป็นระดับชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดเป็นอย่างประชาชนว่า เป็นคนทิ่ฐีแรงซึ่งบางทีก็หมายถึงมานนะเจต ส, สิกงด้วยก็คือเป็นคนที่ให้ค่าความคิดเห็นของตัวเองจัดนั้นไอตัวราคาเนี่ยเข้าไปให้ค่าในกิเลส ต, ตัวใดถ้ามีใครมากระทบกระทั่งถึงกิเลส ต, ตัวนั้นราคาจะเป็นฝ่ายตอบรับจะเป็นฝ่ายเจ้ากีจาการเอาเป็นบาระ ในการณีนี้ก็ให้ค่าในทางความคิดถึงทําให้คนเสียหน้าได้อะไรความจริงก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะเรามามองดูว่าอย่างคนที่มีความคิดไม่ครงกันแล้วก็นั่งนั่งสนทนากันอยู่ต่อหน้าที่ประชุมและอีกคนนึงแพ้ความเห็นเนี่ยและตัวเองไม่สนทนาด้วยคุณนุรจิตเนี่ยเสียหน้าไหมเสียหน้ามากนะที่สนทนาคุยอีกคนหนึ่งไม่ได้ถึงกันหน้าเนี่ยออกอาการเลย ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นถ้าถ้าเป็นยังสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเงือบอกว่าเงือะเงือตกอ่ะเงือแตกออกทางรักแร้เลยที่ไรห่มผ้าเชียงบ่ายเห็นเลยหน้าซีดพูดไม่ออกก็มีแล้วถึงขนาดไปโดดน้ําตายก็มีบางบางพวกบางคนแพ้แล้วไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนเลยบอกเอาหน้าลงน้ํำก็เลยโดดตัวเลยตายไป มันเป็นเรื่องร้ายแรงคือในหมู่ของนักคิดนักบวชเนี่ยถือสาเรื่องพวกนี้มากทีนี้ให้เราเองเนี่ยเราก็มีความ ต, ติดความยึดในลักษณะตัวเขาตัวเราอย่างที่ว่านี่นะะเป็นเรื่องร้ายแรงใครที่มากระทบกระทั่งเราเราลองนึกดูนะะว่าถ้ายกตัวอย่างเอาอย่างชัดๆเนี่ยว่าใครเข้ามาดูถูกดูหมิ่นเราเราโกรธ ถ้าถามถึงสภาวะในทางอธิบายว่าโกรธเพราะอะไรตอบว่าเพราะราคะเข้าไปติดความเห็นว่ามีตัวนะฮะใครมากระทบกระทั่งตัวซึ่งความจริงมันเป็นภาพของความคิดเห็นด้วยทิตถิเท่านั้นเองถ้าไปนั่งถามไล่ว่าอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกว่าแมาผมคุณ น, นี่ไม่ใคยสวยไม่ง้ยมันก็ไม่ได้ถึงตัวอะไรเท่าไหร่นะ หรือเป็นโรคอะไรพูดเล้เป็นชิ้นชิ้นอาลายก็มีแต่พอพูดถึงเป็นตัวเป็น ต, น, ตนอะไรราคาคลุมคลุมไปกระทบภาพของทิฏฐิเราก็รุดเกิดความรู้สึกโกรธเพราะราคาเข้าไปกำหนัดอะไรราคาถูกทําร้ายในสิ่งที่ตัว ร, รักก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะเราร้อนต่อภายหลังนี่ท่านจึงยกตัวกิเลสสาคัญอีกตัวหนึ่งรองมาจากราคะ ซึ่งเรียวกว่าเป็นปรปัญจะทำหรือคาหาธรรมซึ่งเหมือนกับอสูรลลายหรือจอละเข้หรือสัตว์ายที่มันงับมาเราเนี่ยโดนกิเลสงับมากรดิกกะเดี้ยนิดหนึ่งคือไอ้กรดิกกะเดี้ยตัวอะไรเองกรดิกกะเดีย้ยกิเลสกรดิกกะเดียเราจะเจ็บปวดทันทีท่านถึงเรียกลากะทิทมาหนาสามตัวเนี่ยเป็นคาหาธรรม มือนสัตว์ไายที่งับเราวะพูดถึงใ้เรื่องงับงับนี่ก็เลยนึกถึงเมื่อป่าที่แล้วก็เป็นเรื่องแปลกอเหมือนกันอาจจ้าโตเขาไม่เคยมานี่คุณคงได้เห็นแหละแตไ่ไม่ได้เล่าให้ฟังแม่ลูกลูกก็จบวิทยาศาสต ร, ร์แล้วก็เป็นคนจีนที่นี้นี่ก็ฟังเขาไว้นะแม่ก็เป็นเขาก็แม่ก็เป็นคนจีนนะนะบุคลิกพูดจา ก, ก็ยังเป็นจริงจีนแต่ว่าโดนผีข้าว อ่าแล้วก็ไอ้ผีเนี่ยไอ้ทีแรกมันก็เข้ามันก็เบียดเบียนให้เจ็บให้ปวดนี่น่ะตอนหลังนี่ให้บอกว่ามันมันมีเขี้ยวเที่ยวกัดตรงนั้งกัดตรงนี้นะให้ได้เจ็บได้ปวดทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเนี่ยมันมันเป็นเปรตเป็นอสูรกายแน่ๆละ่ะมันมาดูดเลือดทั้งนั้นมันไม่มีจะกินอยากจะไปก็ไปไม่ได้ดูเลยไปกัดตรงโ น, นกัดตรงนี้น ต้องเจ็บเจ็บปวดปวดเจ้าตัวนรู้สึกเห็นนะเห็นเขี้ยวบางทีงับแล้วทะลุออกมานอกเนื้ออะไรก็มีแต่ไม่ตายนางๆเดี๋ยวกโอ้ยโอ้ยๆอยก็ไปให้ทั้งพระทั้งหมอผีไล่มาทั่วประเทศแล้วไม่รู้กี่สิบเจ้าแล้วผีไม่ยอมไปมันอยากไปําไปไม่ได้อาราไปเรื่อง เรื่องแปลกประหลาดอันหนึ่งเหลือเชื่อมาทีนี้ไอ้อย่างเนี้ยเราก็เห็นแล้วก็ก่อนนืก้อนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องไอ้ไอ้นี่มันก็ไม่รู้โมหะมันครอบงำไม่รู้เรื่องอะไรลองลองคุยดูด้วยนะครับไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรไม่รู้ตรงนั้นไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไร ไม่รู้เรื่องบุญไม่ได้จิตใจน้องเวียงมานึงเราไม่รู้จะไปทางไหนมันมืดแปดด่างรู้แต่ว่าไหลอยู่เฉพาะหน้ากัดได้ก็กัดกินได้ก็กินตั ว, ตวฮะทั้งคู่พอๆกันแ่ะ <c oughs> แต่ว่าไอเา้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าที่มาเข้าเนี่มันมันมันเนี่ยอ่านแล้วก็นึกถึงเราเคยอ่านเรื่องเปรตเรื่องอะไรแต่อะไรใน พวกไรวีดดกมาเยอะไรบางตัวเนี่ยมันก็คุมดีคุมลายแต่บางตัวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนคนโมหะนะมีความทุกข์อยู่ข้าวอยู่ตรงหน้ามันก็ไม่รู้จักไม่รู้จักที่จะกินเหมือนคนบ้าตัวหิวโหยยามีอยู่ก็ไม่รู้จักยาว่าจะกินควรจะกินเนี่ยมันเหมือนกันเลยนั่นพวกนี้น่ะจะทําบุญให้ต้องมปนั่งกล่อมมันนะ นี่ผมก็แนะนำอะไรเขาไปแล้วเราบอกว่าวันนั้นแล้วก็เรียกผมไปด้วยเลยจะไปกล่อมบีนะกล่อมมันว่าเนี่ยให้โบบอเทศให้มันฟังนะให้มันฟังว่าเออบุญเรื่องกุศลเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ให้ทำจิตให้เป็นกุศลนะพระจะมาสวดทำบุญให้แล้วนะนี่อนุโมทนาแล้วเป็นที่พึ่งได้นะทำให้เราหลุดได้นะ อย่าพ้นได้นะในสิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่มีอะไรจะช่วยได้อย่าไปดันตุลังอย่างอื่นเลยก็จะเทศมันว่าอย่างงี้เนี่ยรอให้ถึงเวลาอ็อย่าไปเทศให้ฟังได้ได้ผลยังไงก็อย่ามาล่าฟังที่หลังก็ได้ถ้าถ้าฟังแล้วไม่ดูถูกคนเล่ามันเหมือนคนไม่มีผิดแล้วนะคนบางคนเนี่ย เลวแล้วเนี่ยเขายังมีสํานึกในทางบุญอยู่บ้าเพราะคอยจ้องปลอมแต่บางคนในเลวแล้วไม่มีสํานึกกันนี้เลยครับกว่าเราจะไปเปิดสำนึกข้าได้เนี่ยโอ้โหอยู่เสียเวลานานเปิดให้เขารู้สึกให้ขยายได้เนี่ยเพราะไม่งั้นแล้วมันจะไม่มีจ่องที่จะแก้อะไรได้เพราะคนเราเนี่ยถ้ากุศลจิตไม่เกิดแล้วแก่ อะไรในปัญหาชีวิตได้ยากถ้าในกรณีที่มันเกี่ยวกับทางกา ย, ยภาพเนี่ยนะมันก็ยังพอได้แต่ว่าถ้ามันเกี่ยวกับใจชะตากรรมอะไรยากมากมันเป็นตัวปิดกัน้นผมจะจะต้องจบไว้แค่นี้นะฮะเราขยายความมากไปหน่อยเลยไม่จบ สงสัยทำไปทำมาคงถึงสิ้นเรียนยันได้แหละตลอดระยะเวลาที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็บมีพวกเราเนี่ยก็ค่อยๆลงหมายตายจากไปตามวาระนานๆคนไม่บ่อยนักหรอก ที่นี้ก็เมื่อวันอาทิตย์นี่ก็มีไปได้อีกคนหนึ่งแล้วคุณปราณีนาควัจร ะ, ะ, ะบ้านอยู่สุขวิทวงสิบสองเนี่ยครับแต่ว่าท่านเป็นคนเชียงใหม่บรรพบุรุษเป็นข้าราชการปุระกัใหญ่อยู่ทางนู้นญาติพี่น้องลูกหลานก็อยู่ทางนู้นเป็นมดเป็นหมอเป็นครอบาอาจารย์กันกันเยอะท่านก็ไปไปรักษาตัวอยู่ที่นั่น อย่างสะดวกสบายก็ได้ไปเยี่ยมท่านมากับพวกเราสียหคนไปทำสังฆทานให้พูดธรรมะสมโมให้ก็น่าดีใจว่าเจ้าตัวนายุกเจ็ดสิบเก้าปีก็นับวายุมากยังขับโลถขับลาได้นะครับมีความศรัทธาเลื่อมใสธรรมะอย่างดียิ่ง แต่ก็ที่สาคัญคือเป็นคนขวัญและกําลังใจดีหรือเกนครับเรายังไม่รู้ว่าเราถึงวันนั้น้จะสู้คุณปราณีท่านได้หรือเปล่าคุยเรื่องตายได้ผมไปผมก็ถามว่าเป็นไงอะเนี่ยเจออะไรบ้างระหว่างนี้ถามว่ากลัวไหมบอกไม่กลัวเลยแล้วก็ห่วงอะไรไหมไม่ห่วงเลยแล้วถามว่ามีใครมาแสดงตัวชักชวนให้ไปบ้างหรือ ย, ยังตอนตอนนั้นนะบอกไม่ยัง ยังไม่มีใครมาโจวนลยจะถามเรบุปกาถึงกติณิมิตแล้วกน็นลึกถึงอะไรวนวนเวียนบ้กมาไปทำความดีรวางชั่วอะไรก็พอระลึกถึงแแต่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แล้วก็เป็นป่วยเป็น เ, เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะก็รู้สึกว่าสกุลของท่านก็จะเ ป, เป็นอย่างนี้กันกันมาแล้วหลายคนนะเกือบจะทุกคน ก็เลยวันนั้นก็เลยนิมนต์พระไปทํล่ังกระ t นขึ้นบินไปกันแค่ไปเยี่ยมกลับก็ท่ามกลางความรู้สึกสะพึงกลัวพี่น้องเลยสงสัยจะตายแล้วมั่เนี้ยนิมนต์ล่มาแต่เสร็จแล้วก็ทุกคนก็ปลื้มใจปไปทวน